บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพรหมิหานทั้งสีประการที่ได้กล่าวมแล้วนั้นเป็นกรรมฐานที่ทรงแสดงให้เหมาะสมแก่จริตของบุคคลประเภทโทสะจริตคือมีความโกรธง่าย กระทบกระทั่งอะไรนิดๆหน่อยๆก็โกรธเมื่อได้สอนให้ตั้งพื้นฐานของจิตไว้ที่เมตตากรุณาเป็นต้นแล้วเมตตากรุณาเหล่านั้นก็จะทําหน้าที่ขจัดและสลายความโกรธที่มีอยู่ก่อนและจะเกิดขึ้นใหม่ได้กรรมฐานที่จะกล่าวต่อไปนี้เน้นไปในเรื่องของคนที่มีราคะจริต คือมีจิตกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจในอารมณ์ต่างๆและมีการกำหนดหมายถึงความสวยงามของสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความไ่ายควัญปรารถนาต้องการบางกรณีบางเรื่องไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนไปได้ แ, แสดงออกมาในรูปทุจริตทางกายบ้างทางวา จ, จาบ้าง แท้ที่จริงกรรมาฐานส่วนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยะต่างๆจากพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งหมายความว่าเป็นลักษณะาการขัดเกลาจิตจากแรงราคะเหล่านั้นให้บรรเทาเบาบางลงบางครั้งท่านเรียกว่ามูลกรรมาฐานคือกรรมาฐานเดิมหรือพื้นฐานแห่งกรรมาฐาน ได้แก่การพยายามปรับแนวความคิดให้ยอมรับความจริงในแง่ที่เป็นจริงของสิ่งที่บุคคลไปกำหนดหมายรักใคร่พอใจตอนต้นๆก็เริ่มมาจากให้พิจารณาถึงสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของตนได้แก่ผมขนและผันหนังซึ่งสิ่งทั้งห้าประการนี้ ผู้คลสามารถเห็นด้วยตาแนสายตาเป็นที่ดูนำไปพินิษพิจารณาด้วยใจยได้ซึ่งบางครั้งบางคราวก็สอนเพียงในชั้นของการนามาบริกรรมคือราลึกถึงไปในแนวนั้นบางครั้งก็ส่งสอนให้พิจารณาบางครั้งก็ส่งสอนให้เพ่งดูทีนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถบรรเทาได้ ถึงก็หมายความว่ากิเลสสายราคะมีกำลังมากก็ทรงสอนกระจายออกไปในรูปของการจำแนกแยกแยะ ก, ก, กายออกเป็นอาการถึง32คือแยกส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นกายนี้ขึ้นมาร ล, ลึกมาพินิจพิจารณาถ้าหากว่าทำไปแล้วยังไม่สามารถบรรเทาได้ ก็เปลี่ยนให้เป็นพิจารณาถึงซากศพของคนที่ตายแล้วที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานนั้นโดยความหมายในที่โดทั่วไปจะเน้นไปที่การพินิษพิจารณาดูกายของคนอื่นซึ่งตายไปแล้วแต่บางครั้งก็หมายถึงกายตัวเองก็มีเหมือนกันเฉพาะในที่นี้ จะกล่าวถึงอสุภกรรมฐานคือกรรมฐานที่เกี่ยวกับซากศพได้ แ, แก่สอนให้พิจารณาดูซากศพเพื่อบรรเทาราคะที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนท่านจําแนกแสดงไว้ถึงสิบอสุภะด้วยกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าอาสุภกรรมฐานทั้งหมดนั้นคือการสอนให้พิจารณาดูซากศพ ที่ล่วงการผ่านเวลาไปแตกต่างกันโดยเริ่มไปจากซากศพที่ขึ้นพองเริ่มมีกลิ่นมีน้ำเหลืองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับการแต่และช่วงนั้นท่านก็เรียกอย่างหนึ่งจนถึงซากศพที่มีแต่กระดูก ท, ทิ้งเกลือดอยู่ในที่ต่างๆ ร, รวมแล้วก็เป็นส0บข้อด้วยกัน แต่ว่าการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นตามหลักฐานที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเป็นกรรมฐานที่สอนแก่ทีกสุโดยเฉพาะชาวบ้านนั้นนอกจากท่านจะมีบุญบารมีมีสติปัญญาพิจารณาเห็นด้วยใจของท่านเองท่านก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นเช่น การเห็นสนมกานา น, นในภายในปราศาสตรเป็นซากศพของพระยาศะกุิ์คุตระบุต้นตนซึ่งก็หมายความว่าท่านที่เห็นได้ในกรณีนี้ก็ต้องมีพื้นฐานมีบา ร, รมีที่สั่งสมอ บ, บรมมาเป็นพิเศษถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเห็นเช่นนั้นได้แต่การสอนกรรมาฐานกลุ่มนี้บางคราวก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน คือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไพยศาลีได้แสดงกรรมฐานกลุ่มนี้แก่ภิกษุทั้งหลายปรากฏว่าพวกภิกษุเหล่านั้นมานักสิการคือกำหนดระลึกพินิษพิจารณาทรากศพโดยอุบายไม่แยกขายแล้วกลายผลออกมาเป็นทางลบคือเกิดขยะขยแยงรังเกียดร่างกายของตัวเอง มองเห็นร่างกายของตัวเองเปรียบเหมือนกระซากศพหรือเอาซากศพมาแขวนคอของตัวเองไว้ให้ความรู้สึกขยะแขยงอึดอัดรังเกียจ ต, ตัวเองนี้จนในที่สุดก็คุมไว้ไม่ได้ฆ่าตัวเองตายบ้งางจ้างคนอื่นช่วยฆ่าให้บ้างปรากฏว่าพระต้องล้มตายลงไปในกรณีนี้เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จกลับมาทราบเรื่องเช่นนี้ข่า จึงเปลี่ยนกรรมฐานเป็นอนาปานสติกรรมฐานคือการตั้งสติระลึกดูลมหายใจเข้าออกและท่านที่เหลือตายก็บรรลุมรควนไปได้แต่เนื่องจากเป็นหลักที่ท่านแสดงไว้จึงควรสำเนียกศึกษาตามสมควรการเจริญอสุภะกรรมฐานนั้นมีอุปกรณ์มีวิธีการที่เปรียย่อยออกไปเป็นนันมาก เริ่มต้นจริงๆก็เหมือนกับการเจริญกรรมฐานข้ออื่นๆคือบุคคลจะต้องตัดปริพภทคือความกังวลต่างๆไม่ว่าในการงา น, งานการศึกษาในภรกิจในญาติมิตรในทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นออกไปในขณะนั้นสมัยโบราณ น, นั้นมีซากศพทิ้งอยู่ในป่าชา้าโดยคนนับถือาศาสนากลุ่มหนึ่ง ม่นิยมเผาศพหรือฝังศพแต่เมื่อญาติพี่น้องตายแล้วก็จะนําไปทิ้งไว้ในป่าชาเรียกว่าป่าช้าผีดิบโดยเอาไปวางไว้อย่างนั้นเองแล้วพวกสัตว์คือแร้งบ้างสุนัข ก, กิ้งจอกบ้างก็จะมากัดเนื้อซากศพเหล่านั้นเพราะฉะนั้นซากศพในป่าชาผีดิบจึงมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปพระที่จเจริญกรรมาฐานข้อนี้ สามารถเข้าไปในที่นั้นและตนมีความสามารถที่จะดูซากศพประเภทใดก็อาจจะเรินกรรมฐานอาสุภะข้อนั้นๆในป่าช้าพฤฤีดิบเหล่านั้นได้แต่ว่าการไปในที่นั้นท่านยังสอนรายละเอียดออกไปจะในกาหนดทิศ ท, ทางกาหนดสถานที่แวดล้อมบอกกล่าวให้บุคคลทั้งหลายทราบเพราะเนื่องจากมีอันตรายรอบด้าน และจะต้องเป็นคนที่ไม่ขาดกลัวเป็นพื้นอัตยาศัยเพราะถ้าหากว่ามีความขาดกลัวอยู่ภายในใจมากแทนที่จะเป็นกรรมฐานก็อาจจะกลายเป็นความตกใจกลัวขวัญกระเจิงหรือขวัญห น, นีดีฝ่ออย่างที่พูดกันได้และการเจริญกรรมฐานส่วนนี้จะต้องรอให้ศพนั้นขึ้นพองเสก่อนเวลาเดินไปท่านสอนว่าอย่าเดินไปตามลม อย่าเดินไปตามลมที่พัดมาเพราะว่ากลิ่นของซากศพนั้นจะรบกวนจนถึงกับเป็นอันตรายแก่สุขภาพได้แต่ก็อย่าไปเหนือลมโดยท่านบอกว่าถ้าหากซากศพมีอมนุษย์สิงอยู่มันก็จะเกิดความโกรธแค้นในการยืนหรือการนั่งเพื่อพิจารณาซากศพก็กำหนดรายละเอียดเอาไว้เป็ น, นันมาก เช่นว่าอย่าให้ยืนไกลนักและอย่าให้ยืนใกล้นักเพราะถ้าหากว่าไกลเกินไปก็จะมองไม่เห็นมองไม่ชัดแต่ถ้าใกล้เกินไปก็จะถูกกลิ่นของซากศพรบกวนอารมณ์กรรมฐานไม่อาจจะบังเกิดขึ้นได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพื้นจิตในขณะที่เข้าไปสู่สถานที่นั้นท่านบอกว่าอย่าทิ้งกรรมฐานเดิม คือหมายความว่าเมื่อก่อนตนได้เจริญกรรมฐานข้อไหนอยู่ก็ให้มนัตสิการคือใส่ใจถึงกรรมฐานข้อนั้นไวเพราะการเข้าไปในสถานที่นั้นท่านยังมีข้อแม้ว่าต้องไปคนเดียวคือถ้าไปหลายคนก็อาจจะไม่สามารถพิจารณาซากศพให้เห็นประจักษ์ชัดได้หรือว่าพอเกิดกลัวขึ้นอีกคนหนึ่งกลัวขึ้นมาคนหนึ่งก็เลยกลัวตาม ก็ทำไม่ได้เวลาจงกรมซึ่งปกติก็ต้องใช้การจงกรมก็ให้มณสิการถึงศพคือใส่ใจถึงศพอยู่ด้วยอย่าให้จิตพลากไปจากเรื่องของซากศพเหล่านั้นแต่ทีนี้ในการดูนั้นกรณีที่ศพยังมีรูปร่างปรากฏเป็นสันฐานทวดทรงอยู่ท่านก็มีข้อแม้ว่า อย่าต้องดูในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าไปดูทีเดียวทั้งซากเพราะถ้าดูทีเดียวทั้งซ า, า, า, ากก็จะเป็นปัญหาคือเกิดหวัดกลัวขึ้นในกราวแล้วและจิตจะฟุ้งซ่านไม่สามารถสงบได้คาั้งแรกอาจจะดูโดยโดยสีคือโดยผิวของซากศพว่าเป็นผิวดำขาวยังไงก็ให้ดูในที่ผิวเหล่านั้นถ้าหากว่า สามารถที่จะดูแลให้จิตสงบได้ก็เพ่งดูในที่ผิวหรือไม่อย่างงั้นก็ดูในสันฐานคือรูปทรงของซากศพแต่ดูในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ไาดูไปทั้งศพในคราแรกและดูโดยเพศแต่ว่าไม่เป็นการกําหนดให้เห็นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายในกรณีที่ซากศพยังสมบูรณ์ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าซากศพยังสมบูรณ์ไปดูในลักษณะนั้นจิตจะหวนกลับมาสู่อำนาจของราคะได้แล้วก็ไม่ให้สอนและทรงสอนแม่พิจารณาซากศพของเพศตรงกันข้ามคือหมายความว่าผู้หญิงจะดูศพผู้ชายไม่ได้ผู้ชายจะดูศพผู้หญิงไม่ได้แต่เมื่อซากศพเปลี่ยนแปลงไม่มีเพศแล้วก็ใครก็ดูได้ ต่อไปก็ดูในปริเชิคือจุดใดจุดหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วท่านจะแบ่งเป็นเป็นสามท่อนด้วยกันคือจากสเอลจนถึงศีรษะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ลงมาข้างล่างจะตัดเอาช่วงใดช่วงหนึ่งของทาง่าศพซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายจิตใจของผู้ปฏิบัต จะต้องมีพื้นกรรมฐานข้ออื่นอยู่แล้วถ้าหากว่าพื้นกรรมฐานข้ออื่นอ่อนจิตใจก็จะอ่อนไปซัดสายไปในอารมณ์เหล่านั้นแล้วในที่สุดก็ไปดูหมดทีเดียวก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาบ้างเกิดความกำหนัดบ้างเกิดความสะดุ้งขึ้นมาบ้างได้และการกาหนดระลึกพินิจพิจารณานั้นก็ดูโดยส่วนนั้นนั่นเอง โดยเฉพาะคือส่วนใดก็ตามที่ดูไปแล้วสามารถเห็นในเรื่องเหล่านั้นได้ชัดเห็นความปฏิกูลเห็นความโสโปรกเห็นความน่าเกลียดของร่างกายได้ชัดก็ให้ดูอยู่ในส่วนนั้นแล้วก็พิจารณาไปโดยลำดับซึ่งในการกำหนดการพิจารณาในลักษณะนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นแกจ่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยลำดับ เช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นแต่พึงระลึกไว้ประการหนึ่งว่าจะต้องอาศัยเวลานานเนื่องจากพื้นฐานจิตของคนที่มีความกลัวเป็นพื้นอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีราคาคือความกำหนัดสูงอยู่ภายในจิตใจโอกาสที่จิตจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้นทำได้ง่ายมีได้ง่าย ท่านจึงไม่ค่อยสอนให้เป็นที่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายแต่จะสอนอยู่ในแวดวงจํากัดคือเจาะลงเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีพื้นฐานทางใจพร้อมที่จะดูคือมีความกลัวน้อยแต่มีความกําหนัดกล้าไม่สามารถที่จะดูในรูปของผงขนและฝันหนังหรือแยกกายออกเป็น32สบองและบรรเทาราคะได้ ก็ต้องไปอาศัยท่กศพเหล่าบบนั้นในปัจจุบันสภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมากการจะพิจารณาดูกรรมฐานกรรมฐานในลักษณะนี้จึงหาโอกาสได้ยากดังนั้นในปัจจุบันเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกรรมฐานเหล่านี้จึงได้ใช้วิธีทมเป็นรูปขึ้นหรือถ่ายรูปท่าศพที่มีในโอกาสต่ตางๆ อาศัยเครื่องวิทยาศาสตร์เข้าสนับสนุนเพื่อให้บุคคลสามารถถือเป็นอารมณ์พิจารณาซากศพหลดนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีการปฏิบัติกันแพร่หลายเพราะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวมีได้ง่ายนั่นเองจะไงก็ตามการพิจารณาในลักษณะนี้สำหรับในชีวิตประจำวันนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่า เวลาเห็นซากศพไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือว่าไปในงานศพหรือรดน้ำศพเป็นต้นก็ากตามถ้าหากว่าบุคคลกระทําไปด้วยมนัษยการถึงอารมณ์ของกรรมฐานก็จะเป็นการเพราะเชือ้อความรู้เห็นตามเป็นจริงในร่างกายตนและร่างกายบุคคลอื่นขึ้นมาได้ สามารถที่จะเป็นอุปการะคือเป็นปัจจัยสนับสนุนแก่การกำหนดการพินิจพิจารณาในชั้นของวิปัสสนากรรมฐ า, านไดข้ข้อสำคัญขอให้พยายามคิดพยายามนึกหรือพยายามน้อมนึกแม้ซากศพที่อยู่ในโรงศพซึ่งตกแต่งไว้ภายนอกเรียบร้อยแล้วก็ตามก็ใจน้อมนึกอาศัยสัญญาในอดีต ที่เคยพบเห็นซากศพมาในลักษณะเหล่านั้นก็ามานึกให้เห็นว่าแม้ซากศพเหล่านั้นก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นการนึกการคิดอยู่บ่อยๆเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคลกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตายถึงแม้ว่าจะไม่เกิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานโดยแนวความคิดนี้ในขณะนั้นก็ตาม แต่ข้อสาคัญก็คือเชื้อที่เพาะไว้ภายในจิตใจของบุคคลรอโอกาสเพิ่มเชื้อจากความคิดจากการระลึกของบุคคลในแต่ละวันแต่ละเวลาที่มาถึงเข้าเ <c oughs> <c oughs> มื่อถึงโอกาสหนึ่งก็กลายเป็นบารมีธรรมที่จะนําบุคคลให้เกิดพิจารณาเห็นแม้แต่ซากศพโดยทั่วไปคือเห็นตามแนวของกรรมฐานได้ พิจารณาเห็นความปฏิกูลความน่ากเกลียดความสุขปลุกของร่างกายซึ่งเป็นที่กําหนดหมายเป็นที่ยินดีของบุคคลทั้งหลายได้ก็นแนวความคิดในลักษณะนี้ต่อพื้นฐานทางบา ร, รมีของคนมีมากพอสมควรแล้วสามารถที่จะมองเห็นทรัพย์สมบัติเป็นอันมากมีลักษณะเหมือนการยื้อแย่งชิ้นเนื้อของสัตว์ทั้งหลายมีอีกาเป็นต้น อย่างที่ท่านผู้หนึ่งได้ อ, อยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติออกมาจา ก, กวางังไปเห็นอีกาสองตัวกาลังแย่งชิ้นเนื้อกันอยู่แย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมาแย่งกันไปจนในที่สุดชิ้นเนื้อนั้นหลน่นอีกาตัวที่สาม้ามาจบแล้วก็บินไปอีกสองตัวก็วิ่งไปแย่งอีกในที่สุดชิ้นเนื้อก็เละไปหมด อาศัยบารมีที่เป็นพื้นใจของท่านแทนที่จะมองไปในรูปตามที่มันปรากฏท่านกลับไป น, น้อมนึกเห็นว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องผัดกันชมเชยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งหมดไปและคนก็ไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกับอิกาทั้ง3าตัวแย่งชิ้นเนื้อกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรจริงท่านก็น้อมเข้ามาในราชสมบัติซึ่งท่านกำลังจะได้เป็นแล้วก็มองเห็นในลักษณะนั้นในที่สุดก็ไม่ยอมรับราชสมบัติหรือปล่อยคนอื่นก็เป็นกันหรือว่าการที่พระยาศกุลบุตรที่กล่าวในตอนต้น สามารถมองเห็นซากมองเห็นสนมกอ น, อ น, นันไยซึ่งหลับอยู่โดยปกติแต่ในสายตาของท่านในความรู้สึกของท่านขณะนั้นมองเห็นเหมือนซากศพที่ทิ้งอยู่เกลื่อนกราดในป่าชา้าซึ่งสมัยนั้นก็มีให้ดูได้ง่ายทำไมท่านเพิ่งมาเห็นในวันนั้นตั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันนานมาแล้วท่านนี้เพราะบา ร, รมียังไม่ถึงนั่นเอง เป็นการรอคอยความแก่รอบของอินทรีของบารมีท่านแต่ถ้าเรามองไปถึงเชื้อที่เป็นพื้นฐานให้ท่านเห็นเช่น น, <c oughs> นั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแต่เป็นอำนาจบารมีที่ท่านสั่งสมมาปรมไว้เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแส ด, แดงแก่ภิกษุทั้งหลายในตอนหลังว่าการที่พระยะคุณบุตร สามารถมองเห็นคนเป็นๆ น, นอนหลับเป็นซากศพได้นั่นเป็นเรื่องของอสุภกรรมฐานที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาในอดีตการคือในอดีตการนานไกลท่านกับสหายของท่านเป็นคนที่มีใจบุญใจกุศลรวมกลุ่มกันทำงานช่วยเหลือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลามีสาธารณภัยคนล้มตายท่านก็จะช่วยนำซากศพเหล่านั้นมาจัด ก, การชาปนกิจให้เป็นการทำงานกันเป็นกลุ่มแบบมูลนิธิทั้งหลายในปัจจุบันวันหนึ่งท่านไปเผาศพสตรีมีคันแก่คนหนึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุตายเป็นการเผาแบบเชิงตะกรสมัยโบราณ เมื่อเผาไปก็ต้องใช้ไม้แทงซากศพไปท่านก็ชี้ให้เพื่อนดูซากศพแต่แท้ที่จริงแล้วเวลามากระทำกันนั้นทำกันตั้งห้าหกสิบคนแต่เมื่อเอาศพขึ้นเชิงตะกอนแล้วอีกห้าสิบคนกลับอีกห้าสิบคนกลับไปยังเหลืออยู่ห้าคนแต่พอศพเริ่มไหม้ก็ยังเหลืออยู่เฉพาะท่านคนเดียว ท่านก็แทงทากศพไปพิจารณาไปเผาไปพริกศพไปพิจารณาตามไปเรื่อยๆก็เป็นงานปกติธรรมดาที่ทํานั่นเองแต่เรื่องมนัติการคือความใส่ใจในสิ่งที่ตนกระทําอยู่นั่นเองเป็นตัวการสําคัญที่สร้างบา ร, รมีหรือสร้างอาสวะให้เกิดขึ้นภายในจิตกระบุตรผู้นั้นท่านก็พิจารณาในรูป ของความปฏิกูลของความน่าเกลียดของความไร้สาระแก่นสารของชีวิตซึ่งเมื่อตายไปแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกับท่อนฟืนที่เผาศพนั่นเองคือใครจะพลิกกลับยังไงใครจะแทงทิ้งยังไงก็ไม่มีความรู้สึกพิจณาเห็นความปฏิกูลเช่นนั้นแล้วก็น้อมนึกเข้มาหาตนน้อมตนก็ไปหาศพน้อมศพมาหาตนกลับไปกลับมาอย่างนี้ในที่สุดก็มองเห็นเป็นอย่างเดียวกัน แล้วเกิดอสุภนิมิตคือเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเกิดอสุภสัญญาคือการกําหนดเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของกายตนและกายบุคคลอื่นโดยสภาพเดียวกันแล้วก็นําความคิดเหล่านั้นไปเล่าให้เพื่อนฟังไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังซึ่งทั้งหมดนั้นตัรับทราบรับความคิดมาจากท่านแล้วก็พิจารณาเห็นตามคล้อยตามเช่นเดียวกัน เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นแม้จะไม่เห็นในขณะนั้นแต่เนื่องจากได้เคยเผาซากศพกันมามากแล้วพอท่านแนะแนวความคิดขึ้นท่านเหล่านั้นก็น้อมนึกเข้าไปถึงซากศพที่เคยประสบมาในอดีตได้พิจนาเห็นไปในลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นดังที่ได้เคยกล่าวมาถึงเรื่องของอนุบุพิกษาที่ว่า พรยะยศก็ดีมารดาบิดาของพรยะยศก็ดีและเพื่อนของพรยะยศอีก54ท่านก็ดีบรรลุอรหัตเป็นประหารด้วยการฟังพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าอนุบุพีคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงกามาทีนกคือโทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามแก่ท่านเพราะว่าเชื้อพื้นทางใจของท่านจริงๆนั้นท่านสั่งสมท่านอบรมมาในเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้เป็นตัวอย่างอันดีว่าการที่บุคคลมนัติการคือใส่ใจถึงเรื่องของคนที่ตายไปแล้วยามพิจารณาให้เห็นถึงความจริงแห่งชีวิตความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายไม่ควรแก่การกำหนัดยินดีผูกพันมัวเมาหมกมุ่นจนเกินไปนั้นแม้จะไม่สามารถใช้เป็นกรรมฐานโดยตรงแต่ก็ เป็นอุปการะเป็นปัจจัยเสริมส่งให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้ความเห็นถึงความจริงแห่งชีวิตได้และเมื่อไปเจริญกรรมฐานส่วนอื่นๆสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเกื้อกูลแก่การปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นได้ซึ่งข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งคือพระจุลปันธกาธเริราช ซึ่งโดยพื้นจริตของท่านจริงๆนั้นก็เป็นคนโงท่ทึบที่ไม่สามารถจะท่องคาถาสี่บรรทัดให้จำได้ภายในสี่เดือนแต่พระพุทธเจ้าทรงประธานอราหันตผลให้แก่ท่านโดยการเอาผ้าขาวให้ท่านมาขยำพินิจพิจารณาไปโดยบริการว่าผ้าเปื้อนฝุน่นผ้าเปื้อนฝุ่นดังนั้นท่านก็บริการพร้อมด้วย ขยําผ้าไปเรื่อยๆไอเหงื่อที่ออกมาเพราะการกระทบกับแดดคือนั่งกลางแดดผ้าก็เศร้าหมองแปดเปื้อนไปท่านพิจารณาเห็นถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายว่าไม่มีความปฏิกูลน่าเกลียดอย่างนี้ผ้าที่ขาบริสุทธิ์เช่นนี้อาศัยร่างกายนี้ก็แปดเปื่อนสกรปรกไปได้แล้วจะเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปได้ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะอาศัยบารมีในอดีตเช่นเดียวกันคือในชาติก่อนๆ น, นั้นท่านเคยพินิจพิจารณาถึงผ้าเช็ดหน้าที่ท่านเอาไปเช็ดหน้าท่านแล้วก็ผ้านั้นแปดเปื้อนก็น้อมนึกเข้ามาดูกายของตนว่าประกอบด้วยธุลีประกอบด้วยสิ่งสุกปรุกต่างๆไอความรู้ความเห็นในขณะนั้นที่จริงก็เป็นแค่เดียวเป็นขณะเดียวแต่ก็เก็บสะสมไว้ในจิตสันดาน ทำให้ท่านสามารถพิจารณาผ้าเช็ดหน้าให้เห็นเป็นปฏิกูลของร่างกายได้ดังนั้นอสุภกรรมาฐานซึ่งมีนัยะเป็นอันมากตามปกติแล้วเป็นเรื่องของการสอนพระแต่ถ้าหากว่าจะนำไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใส่ใจเวลาประสบกับอารมณ์ในลักษณะนี้ย่อมเป็นเชื้อเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยปัจจัย ที่จะบรรเทากามราคะซึ่งบังเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆได้และสนับสนุนให้บุคคลพิจารณาเห็นถึงความจริงแห่งชีวิตตามหลักวิปัสสนากรรมฐานได้อีกด้วยต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ